บุกทูสามสิบสี่บนรถไฟโตรกินียนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับอ r ร์เตโตรกินีซีเบอลินะรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับคดลขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับรรรผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับอา m a n โนยูเซ ė ด i มาโนเวียตัวตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ Kur yra miegamasis vagonas? ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ miegamasis vagonas yra t r โรกนูเกล่และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับ โคุ r ิราวะก a นาเซราสตารานัสเปรียกิยมผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับอลงตปจผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับองตอวรยผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับองตอ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Kada bus me p r e s i n o s ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ Keer trung kaloni ke Berlina. รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ a t r o k i n i s veluja. คุณมีอะไรอ่านไหมครับ Arturi tekanos paskritite. ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ gal kon คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ